พัฒนาการมาสุขที่สุขแย่งกันให้มีความสุขที่สุขด้วยกันมองออกไปอีกด้านหนึ่งแม้แต่ถ้มกลางกามาสุขที่ผูกอยู่กับความเห็นแก่ตัวเมื่อมนุษย์มีธรรมชุดพรมวิหารมาแผ่ขยายจิตใจออกไปแล้วจิตใจของเขาก็จะเริ่มคลายออกจากความเห็นแก่ตัวนั้น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 ถ้าอยู่แค่ความสุขแบบการมาสุขคือความสุขที่อาศัยอามิธวัตถุภายนอกก็แน่ชัดว่าจะเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งกันสุขชิงกันสุขถ้าฉันได้คุณก็เสียหรือฉันได้คุณอดคุณได้ฉันอดถ้าฉันสุขเขาก็ไม่ได้สุขหรือเขาอาจจะทุกไปเลยหรือถ้าเขาสุขฉันก็ไม่ได้สุขหรือฉันอาจจะได้ความทุกข์สรุปก็คือ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 แม้จะไม่พูดเรื่องการบริหารจัดการกามาสุขโดยตรงแต่เรื่องกามาสุกก็โยงเข้ามาในแง่ของการพัฒนาที่มาสัมพันธ์กับความสุขเชิงสังคมจึงต้องพูดบ้างเล็กน้อยตามที่จำเป็นหรือพาดพิงอิงกันดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกามาสุขว่าจะจัดการอย่างไรให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมให้ไม่เสียหายอย่างน้อย ก็ให้ลดทุกข์บันเทาโทษลงมาและให้รู้จักใช้ในทางบวกให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดพระองค์ตรัสตามที่มันเป็นว่ากา ม, มาสุกนั้นก็เป็นสุขแล้วก็ตรัสต่อไปตามหลักที่เคยบอกแล้วว่ากามนั้นมีอัตสาทะคือข้อดีมีอาทธีนวะคือข้อเสียและมีนิสรณะคือทางออกที่แก้ไข หรือให้หลุดพ้นไปจากข้อบกพร่องนั้นอย่างไรด้วยจะเอานิสรณะของกามก็มาที่นี่แหละคือมาพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไปเริ่มโดยการพัฒนาความสุขทางสังคมนี่เองถึงจะยังเสพกา ม, มาสุขท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่นอกจากใช้สีลห้าคุมยั้งกันไว้บ้างแล้วก็มาพัฒนาความสุขทางสังคมขึ้นไปก็จะช่วยให้ประดามนุษย์ไม่มัววุ่นวายอยู่กับตัวเองมากเกินไป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 ก็มีความโน้มเอียงที่จะมีทุกข์มากขึ้นเรื่องเป็นอย่างไรหันไปดูด้านความสุขแบบร่วมกันสุขนั้นเริ่มจากเราเห็นคนทั้งหลายอยู่ดีมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนี่คือเมตตาทีนี้ต่อไปก็คือกรุณาที่ว่าเราอยากเห็นเขาพ้นจากทุกข์หายป่วยหายไขย้และพอเขาหายได้จริงมีร่างกายแข็งแรงดีเราก็มีความสุข แต่ข้อการุณานี้ไม่ใช่ให้ผลแค่นั้นยังมีผลดีมากกว่านั้นอีกแม้แต่ว่าเราเจ็บไข้ยอยู่หรือว่าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้มีความทุกข์ทรมานเหลือเกินทีนี้ถ้าเราโมาแต่ใส่ใจเรื่องตัวเองนึกถึงตัวเองว่าทําไมฉันต้องต้องเป็นอย่างนั้นทําไมฉันตึงต้องเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์แย่เลยบางคนหนักกว่านั้นอีกคิดว่า โรคนี้ใครจะเป็นก็เป็นไปทำไมจะต้องเป็นกับเราด้วยคิดอย่างนี้ก็มีแต่จะต้องทุกข์แล้วก็ทุกข์มากเกินกว่าธรรมดาด้วยทีนี้ถ้ามีกรุณาพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ครุ่นคิดอยู่แค่ตัวเองแต่จะมองกว้างออกไปถึงเพื่อนมนุษย์ก็คิดถึงคนอื่นๆว่าเออเนี่เราเจ็บไข้เป็นโรคนี้ขนาดนี้ยังมีทุกขเวทนาและยากลาบากอย่างนี้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 จะทุกยากลำบากแค่ไหนพอนึกขึ้นมาอย่างนี้โรคที่เจ็บป่วยของตัวเองก็กลายเป็นเบาเลยบางทีหมดความหมายคือแทบไม่รู้สึกอะไรเลยความเจ็บป่วยของเรานี้ไม่สำคัญอะไรเลยพอคิดด้วยการุณาต่อไปอีกชั้นหนึ่งความเจ็บป่วยของเรากลับเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกว่าเออถ้าเราไม่ป่วยอย่างนี้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 ขาดคนดูแลเอาใจใส่เราจะต้องไปช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นทุกข์รวมแล้วก็กลายเป็นว่าโรคนั้นมากระตุ้นเรากรุณานอกจากมองออกไปที่จะหาทางช่วยคนอื่นแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้ทุกข์ของตนเองลดน้อยลงไปหรือบางทีก็เลยไม่ทุกข์ความเจ็บไข้นั้นแทบหมดความหมายไปเลยจะเห็นว่าคุณธรรมเหล่านี้สําคัญมาก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 ที่จะทำให้เขามีความสุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์แล้วไปกระตุ้นเราให้มนุษย์ทำความดีช่วยเหลือกันต่างๆอย่างน้อยก็จะมาช่วยดุลทำให้ปัญหาจากการมาสุขเบาบางลงไป